เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่เกุมภาพันธ์พุทธศักราช2551หบเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญตักบาตมาถวายทานมารักษาศีล มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดถ้าปรารถนาผลประโยชน์ที่พระศาสนาจะสามารถมอบให้กับเราได้การที่เรา ถือตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรจะไม่ได้รับประโยชน์จากทานพระศาสนาแต่อย่างใดเพราะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสอน แล้วนำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนประโยชน์ที่ดีที่เลิกที่ประเสริฐก็จะเป็นผลที่ตามมาดังนั้นการเป็นพุทธศาสนิกชนนี้ก็เป็นได้สองแบบด้วยกันเป็นพุทธแท้กับพุทธเทียมพุทธเทียมก็คือนับถือศาสนา มีชื่อในทะเบียนบ้านว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่เคยสนใจที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยอย่างนี้เรียกว่าเป็นพุทธเทียมเรียกตนเองว่าพุทธแต่ไม่รู้ว่าพุทธนั้นต้องปฏิบัติตอนอย่างไร ถ้าเป็นพุทธจริงแล้วจะมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในหลักกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อมีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็จะทำแต่ความดีละบาปละอบายมุกต่างๆ ชำระกายวาจาใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงผู้ที่เชื่อหลักนี้แล้วจะไม่เชื่อเรื่องการไปหาหมอดูทำนายทายทักไม่เชื่อเรื่องหวงจุย้ยไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องบูชาพระราหุน ไม่เชื่อเรื่องการไปนอนในโลงศพเพื่อสะเดาะเคราะห์ไม่เชื่อในเรื่องการไปเดินลอดใต้ถุนโบส์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์กรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล<ฮ>เพราะการกระทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นคําสอนของพอพุทธเจ้าแต่อย่างใดพ่อพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปนอนในโลงศพไม่ได้สอนให้ไป ลอดใต้ถุนโบทถถ้าอยากจะสะเดาะเคราะห์กรรมต่างๆท่านทรงสอนไม่ให้ไปทํากรรมไม่ให้ไปทําบาปเพราะผลของของบาปนั้นถ้าไม่มีการกระทาแล้วย่อมไม่เกิดตามมาดังนั้นถ้าไม่อยากจะมีเคราะห์กรรมต่างๆก็ต้องไม่ทําบาปทํากรรม ถ้าทำบาปทำกรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องรับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นจะไปสะเดาะเคราะห์ อ, อย่างไรจะไปปัดเป่าอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะปัดเป่าได้ไม่สามารถที่จะยับยั้งผลของบาปกรรมที่ตนเองได้ทำไว้ไม่ให้ปรากฏขึ้นมาได้เพราะ เป็นหลักของเหตุและผลเหตุเป็นต้นผลเป็นปลายผลไม่ใช่เป็นต้นเหตุไม่ใช่เป็นปลายเหตุคือการกระทําต่างๆนี้เองผลก็คือบุญกรรมต่างๆที่ตามมาให้กับเราต้องเสวยต้องเสพต้องรับดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ แต่ผลบุญเราก็ต้องทำบุญถ้าเราอยากไม่อยากจะได้รับผลบาปเราก็อยากไปทำบาปก็มีอยู่เท่านี้เองไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งสิน้นไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระอรหันต์สิ่งเหล่านี้อยู่ที่หลักกรรมเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้ e này, แม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหรันต ก็ไม่สามารถที่ไปหักล้างได้ไปห้ามไม่ให้เป็นตามหลักของกรรมไม่ได้กฎแห่งกรรมนี้เป็นหลักธรรมะเป็นความจริงพระพุทธเจ้าการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเพื่อมาลบล้างมาหาักล้างทาลายกฎแห่งกรรมเพราะกฎแห่งกรรมนี้ทาลายไม่ได้ลบล้างไม่ได้ แต่ทรงได้ศึกษาจนเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงกฎแห่งกรรมนี้แล้วว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือความจริงเนี่ยเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วจึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลาย จัตโตกทั้งหลายที่มีความแตกต่างกันอยู่มากมายก่ายกองก็เพราะเป็นผลของบุญกรรมที่ได้ทำมานั่นเองทำให้เรามาเกิดสูงสูงต่ ำ, ตำไม่มีความเสมอกันไม่เท่าเทียมกันเกิดเป็นหญิงเกิดเป็นชายเกิดเป็นคนรวยเกิดเป็นคนจนเกิดเป็นคนฉลาดเกิดเป็นคนโง่ เกิดเป็นคนมีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์เกิดเป็นคนที่มีอาการ12 32ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เกิดมาเป็นคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเกิดมาเป็นคนที่มีโรคภัยรุมเร้าอยู่ตลอดเวลานี่คือผลเป็นปลายนะเหตุก็คือการกระทํา บุญหรือบาปในอดีตที่ผ่านมานั่นเองในอดีตที่เรามองเห็นก็ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้นี่ก็เป็นอดีตส่วนหนึ่งอดีตที่เรามองไม่เห็นอีกส่วนหนึ่งก็คือก่อนที่เรามาเกิดนี้เราไปทำบุญทากรรมไว้ที่ไหนอย่างไรเรามองไม่เห็นกัน มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่สามารถมองเห็นได้พอท่านชำระใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะสว่างสวยัสยใสแจ๋วมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้มองเห็นภพชาติที่ผ่านมาในอดีตได้มองเห็นการเวียนว่ายตายเกิด ของสัตว์โลกทั้งหลายได้จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการกระทำในอดีตนั่นแลที่เป็นเหตุที่ส่งผลให้สัตว์โลกเป็นกันเป็นอยู่กันในปัจจุบันนี้เกิดจากการกระทำทั้งสิ้ น, เ, นเกิดการกระทำที่ดีและไม่ดีทำบุญและทำบาปกับ การลดละความโลภความโกรธความหลงหรือส่งเสริมความโลภความโกรธความหลงให้มีมากยิ่งขึ้นไปเหล่านี้เป็นเหตุที่ทําให้เราได้มาเกิดต่างกันเช่นพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าเราได้ทําบุญมาในอดีตและมี ความยินดีที่จะมาทำบุญต่อเราจึงมาวัดกันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีใครบังคับไม่มีใครชักจูงเพราะใจของเรานั้นมีบุญเก่าคอยส่งเสริมคอยผลักดันนั่นเองเป็นเหมือนกับความถนัดคนเราถ้าถนัดใช้มือซ้ายไปเกิด ชาติหน้าก็จะไปใช้มือซ้ายต่อถ้าถนัดใช้มือขวาไปเกิดชาติหน้าก็จะไปใช้มือขวาต่อเช่นเดียวกับนิสัยถ้าถนัดถ้าชอบในการทำบุญก็จะไปทาบุญต่อถ้าชอบทำบาปก็จะไปทำบาปต่อถ้าชอบอบายามุกก็จะไปเสพอบายยมุกต่อ ถ้าไม่ชอบก็จะไม่ไปเสษอบายามุกนี่เป็นนิสัยที่เราสร้างขึ้นมาด้วยการกระทำซ้ำๆ ซ, ซากๆนั่นเองพอเราทําอะไรเข้าบ่อยๆเข้าก็จะติดเป็นนิสัยไปเช่นชาตินี้เรามาติดนิสัยดื่มกาแฟตื่นมาตอนเช้าต้องดื่มกาแฟก่อนพอถึงตอนเช้าทีไรก็ต้องหากาแฟดื่ม เพราะมันติดเป็นนิสัยแต่คนที่เขาไม่ดื่มกาแฟเขาก็ไม่ต้องไปหากาแฟมาดื่มนี่แหละเรียกว่ากรรมเป็นอย่างนี้กรรมก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อทำไปแล้วก็จะติดเป็นนิสัยเมื่อทำมากขึ้นไปก็จะกลายเป็นสันดานไป นิสัยนี่ยังพอที่จะแก้ได้ไม่ยากมากสันดานนี่ก็แก้ได้เหมือนกันแต่จะยากมากกว่านิสัยเพราะติดมาหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันส่วนนิสัยนี้อาจจะติดมาเพียงเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเช่นเราไปเกิดในครอบครัวที่เขาดื่มกาแฟกัน พอทุกเช้าเขาก็จะให้เราเดื่มกาแฟเราก็จะติดนิสัยไปได้แต่ถ้าเราไม่ชอบดื่มกาแฟมาในอดีตถึงแม้เราจะดื่มในชาตินี้ก็ตามถ้าเรามีโอกาสเลือกได้เราก็จะไม่ดืม่มถ้าเราไม่มีโอกาสเลือกเราก็ต้องดื่มไปก่อนแต่จะไม่ติดเป็นนิสัย เช่นเดียวกับการทำบุญทำบาปก็เป็นอย่างนังน้นถ้าเราติดนิสัยในการทำบุญไม่ชอบทำบาปแล้วเราจะติดนิสัยนี้มากับเราเราจะอยากทำบุญเราจะไม่ชอบทำบาปเวลาเราทำบาปแล้วเรารู้สึกไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเวลาเราทำบุญแล้วเรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจ ในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ชอบทำบุญชอบทำบาป ก, ก็จะชอบทำบาปเวลาทำบาปแล้วจะรู้สึกสบายอกสบายใจไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างไรเวลาทำบุญแต่ละครั้งรู้สึกยากเย็นลาบากทำไปแล้วก็รู้สึกเสียอกเสียดายเงินทองเข้าของที่ทำไป เ, เพราะไม่ได้ทำมา จนติดเป็นนิสัยนั่นเองมีนิสัยคือความหวงความตะนีติดมาอยู่กับตนจึงทำให้การทำบุญให้ทานนี้เป็นสิ่งที่ยากเย็นลำบากทำไปแล้วรู้สึกเสียดายทำไปแล้วไม่อยากจะทำแต่ถ้าได้ทำบาปแล้วจะติดจะดีจะชอบอกชอบใจถ้าได้ไปเสพสุรายามา ได้ไปยิงนกตกปลาได้ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นทําแล้วจะมีความสุขใจเพราะคิดว่าตนเองได้กำไรตนเองเป็นคนฉลาดไม่เสียเปรียบคนอื่น mm. เวลาถูกคนอื่นเขาโกหกหลอกลวงจะรู้สึกโกรธแค้นเสียอกเสียใจเสียท่าคิดว่าโง่ แต่คนที่ไม่ชอบทำบาบนั้นกลับจะไปมองอีกด้านหนึ่งกลับจะสงสารคนที่ทำบาปคนที่มาโกหกหลอกลวงว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดเป็นคนที่จะต้องไปรับผลบาปกรรมของตนที่ได้ทำไว้นี่คือความรู้สึกนึกคิดของพวกเรามีความแตกต่างกันดังนี้ ต่างกันตรงเพราะว่าในอดีตเราเคยทำมาทาอะไรมากันเราทำอะไรมาก็จะติดเป็นนิสัยก็จะชอบทำอย่างนั้นทำบุญมาก็จะชอบทำบุญเคยทำบาปมาก็จะชอบทำบาปเคยชอบอะไรเคยเกลียดอะไรก็จะติดเป็นนิสัยมาของเหล่านี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ พ่อแม่พยายามสอนให้ทำดีให้ทำบุญไม่ให้ทำบาปไม่ให้เสพสารยาเมาไม่ให้เกเรไม่ให้สัมมาเลเทมาแต่ถ้าติดนิสัยนี่มาอยู่ต่อให้พ่อแม่สั่งสอนอย่างไรก็ไม่ได้ซึมซาบเข้าไปในใจเพราะใจนั้นมันมี สิ่งเหล่านี้อยู่ในใจคอยผลักดันอยู่แล้วพอรับหลังพ่อแม่ก็จะไปทำตามในสิ่งที่ตนชอบที่ถนัดถ้าชอบสัมเลรเทเมาลชอบเกเรชอบความเกียจคร้านก็จะไปในทางนั้นถ้าชอบในการทำความดีชอบความขยันหมั่นเพียรชอบการช่วยเหลือผู้อื่น ก็จะไปทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของบาปและบุญที่เราทำมากันในอดีตทาให้เรามีจริตนิสัยต่างกันทำให้เราเกิดมาสูงต่า ง, างกันสวยงามต่างกันมีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงต่างกันมีอาการ32สองครบถ้วนบริบูรณ์ต่างกัน มีสติปัญญาความฉลาดต่างกันเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำในอดีตทั้งนั้นแต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถทำเพิ่มขึ้นได้หรือแก้ในสิ่งที่บกพร่องได้เช่นถ้าเราชอบทำบาปชอบยิงนกตกปลาชอบโกหกพูดปดมดเท็ดเราก็แก้ได้เราก็อย่าไปทำเสีย ทุกครั้งที่อยากจะพูดปลดเราก็ระ ง, งับไม่พูดเสียทุกครั้งที่เราอยากจะยิงนกตกปลาเราก็อย่าไปทาทุกครั้งที่เราอยากจะเสพชุลายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเราก็อย่าไปทําเราพยายามฝืนต่อสู้กับความต้องการที่จะทาในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราสามารถหักห้ามจิตใจได้สามารถแก้ไขได้ถ้าเราจะแก้เราต้องแก้ที่เหตุเราอย่าไปแก้ที่ผลเช่นพอมีเคาะกรรมเกิดขึ้นมาก็รีบไปทำบุญใหญ่โตไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะการทำบุญนี้ก็จะส่งผลให้ปรากฏขึ้นมาในอดีตส่วนผลที่เกิดขึ้นในวันนี้ มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากในอดีตที่เราทำมาก่อนเมื่อมันเกิดแล้วเราก็ต้องจำยอมรับมันไปไม่ต้องไปกลัวมันเมื่อมันเกิดก็รับมันไปไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ให้ให้โง่เป่าๆเพราะสะเดาะไม่ได้ไปบูชาลาหุนไปลอดใต้ทุนโบส ไปหาหมอดูไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนทรงผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนบ้านอย่างนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาปัญหานี้แก้ต้องแก้ที่เหตุคืออย่าไปทำบาปสีอย่างเดียวแล้วต่อไปผลของบาปก็จะไม่มีตามมา แต่ถ้าเคยทำบาปมาแล้วในอดีตก็จำเป็นจะต้องรับใช้ไปหนีไม่พ้นใช้ได้บาปใช้ไปนลํามันก็หมดได้ถึงแม้จะต้องไปตกนรกมันก็ยังหมดได้เมื่อหมดกรรมแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราพยายามทำความดีอยู่เรื่อยๆ พยายามละการกระทำบาปอยู่เรื่อยๆมันก็จะติดนิสัยมาพอเราพ้นกรรมจากนารกได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้เราก็จะทำแต่บุญเราจะไม่ทำบาปอีกต่อไปแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปตกนรกเราจะไปแต่สวรรค์ไปเป็นเทพเป็นพรมแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ มาสร้างบุญสร้างผุ้สมใหม่จนในที่สุดก็จะได้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนเพราะเราดูจากวิธีสะเดาะเคะ์ที่แท้จริงนั่นเองเวลาที่ชีวิตเราตกต่ำมีความทุกข์มีความเศร้าหมองมีปัญหาต่างๆบุญเรา ขอให้เรายึดมั่นอยู่ในการทําความดีถ้าเราไม่รู้จะทําอะไรในตอนนั้นก็ขอให้เรานิ่งอยู่เฉยๆก็ได้ให้สวดมนต์ให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปในใจทําจิตใจให้สงบให้นิ่งไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเงินจะหมดก็ให้มันหมดไปถ้าเรา ห้ามไม่ได้มันจะหมดก็ต้องปล่อยให้มันหมดไปบ้านจะถูกเขายึดก็ให้เขายึดไปถ้าเราไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้เขายึดไปได้แต่เราอย่าไปสะเดาะข้อด้วยวิธีการต่างๆวิธีสะเดาะข้อที่ถูกต้ง้งทางพุทธศาสนาก็คือให้ทำใจให้สงบนิ่งให้เป็นอุเบกขาให้เย็นให้สบาย แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่ทำให้เราวุ่นวายใจเราจะรู้สึกเฉยเฉยกับสิ่งต่างๆเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีมาและมีไปเป็นธรรมดามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาที่มันไปเวลาที่มันลงเวลาที่มีความทุกข์เราก็ ทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางด้วยการเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธมนฑ์เจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณสวดไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องต่างๆสวดไปจนกว่าจิตใจจะสงบนิ่งเย็นสบายเมื่อเย็นสบายแล้วมันจะมองปัญหาต่างๆเป็นเรื่องเล็กน้อยไป ไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งสิ้นอะไรจะไปก็ไปได้อะไรจะมาก็มาได้ความทุกข์จะมาก็ได้ความสุขจะมาก็ได้เพราะใจมีความสุขมากกว่าสิ่งต่างๆภายนอกที่จะสามารถให้กับใจได้นั่นเองก็คือความสงบนี้เองนำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสุขใดในโลกนี้สุขอื่นใดในโลกนี้ ไม่มีความสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจความสุขใจนี่แหละที่เกิดจากการเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณสวดไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆเรื่องของใครก็ตามอย่าไปสนใจให้เข้ามาอยู่กับ บทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณหรือจะเจริญคำบริการพุทโธธัมโมสังโคไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะเจริญบริการพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้ทำไปจนกว่าใจจะสงบเมื่อใจสงบแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปเมื่อใจสงบเย็นสบายแล้ว จะไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิ้นเงินทองจะหมดก็ให้มันหมดไปบ้านเขาจะยึดก็ให้ยึดไปคนนั้นจะจากเราไปก็ให้เขาจากไปมีอะไรเกิดขึ้นจะไม่สามารถมากระทบกับความสุขทางด้านจิตใจของเราได้เลยนี่แหละคือวิธีสะเดาะข้อกังที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ พระพุทธเจ้าถึงแม้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีเคาะกังตามมามีพระเทวทัตมาจ้องทำลายด้วยวิธีการต่างๆจ้างคนให้มาฆ่าส่งช้างมาให้เหยียบกิ้งเห็นลงมาจากเขาเพื่อมาทำลายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ความสงบนิ่งนี่แหละ รับกับปัญหาต่างๆไม่หนีไม่กลัวไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดก็เกิดแต่มันก็ไม่เกิดเพราะบุญบารมีที่ได้ทำไว้นี้มีมากนั่นเองพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามันทำบุญสร้างบารมีอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะมีบุญบารมีคุ้มครองเราไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา เราจะไม่หวั่นไหวและจะไม่สามารถมากระทบกับชีวิตของเราได้อยู่ตรงนี้ต่างหากอยู่ตรงที่การทำจิตใจให้สงบแล้วก็ทำความดีต่างๆทำบุญทาทานละบาและอบายมุขต่างๆฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็จเจริญ ภาวนาจิตตภาวนาอยู่่เรื่อยทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อไม่ให้ยึดให้ติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ยึดติดไม่ได้นั่นเองไม่อยู่กับเราไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ต้องไปสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุเข้าของต่างๆไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ได้อยู่กับใจไปตลอดใจมาได้ร่างกายนี้ตอนที่มาเกิดแต่เมื่อร่างกายนี้ตายไปใจก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ต้องจากร่างกายนี้ไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปพบใหม่ชาติใหม่ ไปทมบุญตามกรรมนี่คือเรื่องของใจของเราเป็นอย่างนี้เราจึงต้องรู้จักดูแลรักษาใจของเราไม่ให้หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะถ้ายึดติดแล้วจะมีความทุกข์ทรมานใจมากเวลาที่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันถ้าเกิดทะเลาะวิวาทกันก็มีความทุกข์ถ้าต้องจากกันก็มีความทุกข์ แต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจะทะเลาะกันก็ไม่เป็นไรจะจากกันก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้ก็จะไม่มีความทุกข์แต่อย่างใดนี่คือการสะเดาะเคราะห์ที่แท้จริงการดับความทุกข์ที่แท้จริงต้องดับด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้อง ทำบุญให้ทานรักษาสิงปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆดังที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนี่แหละคือการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงอยู่ตรงนี้และจะได้รับับประโยชน์ที่แท้จริงด้วย คือจิตใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจไปตามลำดับจนหลุดพ้นได้อย่างถาวรได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหังตสาวตทั้งหลายได้หลุดพ้นกันเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันนี่คือวิธีสะเดาะข้อกรรมที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ อยู่ที่การทำจิตใจให้สงบนิ่งเวลาที่ต้องเผชิญกับมารต้องเผชิญกับวิบากกรรมต่างๆไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปบูชาราหุมไม่ต้องไปะเดะดเคอไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นทำจิตให้สงบนิ่งอย่างเดียวหลังจากจิตสงบนิ่งแล้วถ้ามีโอกาสก็ไปทำบุญไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมต่อ นี่แหละจะเป็นการทำให้ชีวิตจิตใจของเราจเจริญรุ่งเรืองให้ชีวิตจิตใจของเราหมดเวรหมดกรรมอยู่ตรงนี้อยู่ที่การกระทาที่เป็นเหตุเพราะกฎข อ, องกรรมนั้นอยู่ตรงเหตุผลนี้เป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้สิ่งที่เราแก้ได้ก็ต้องแก้ที่เหตุถ้าเคยทำความชั่วมาก็ให้เลิกทำ ถ้าไม่เคยทำความดีก็ให้ทำความดีถ้าไม่เคยกำจัดความโลภความโกรธความหลงก็ให้กำจัดความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทําอย่างนี้ได้แล้วเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลมันจะเป็นผลดีตามมาอย่างแน่นอนเหมือนกับผลที่ปรากฏขึ้นกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็เพราะท่านทําแต่เหตุที่ดีนั่นเอง ท่านไม่ต้องกังวลถึงผลที่จะตามมาถ้าต้นดีแล้วปลายมันจะต้องดีเสมอ ถ, ถ้าต้นมันไม่ดีปลายมันดีไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่ต้นก็คือเหตุคือการกระทำทางกายวาจาใจจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งมั่นต่อการเป็นชาวพุทธ ที่แท้จริงด้วยการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วประโยชน์ต่างๆที่จะพึงได้รับจากพระพุทธศาสนาก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้